ธรรมบัญญายต่อไปนี้ขอเสนอเรื่องทำเพื่อคล่องใจคนจากผลงานประพันธ์ของอาจา ร, รย์วศินอินทสระความเบื้องต้นนักปราชญ์แต่โบราณการมากล่าวว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมและเป็นสัตว์มีเหตุผลนั่นคือมนุษย์มีความโน้มเอียงในการอยู่ร่วมกันเป็นพวกเป็นหมู่และมีเหตุผลในการดําเนินชีวิต การใช้เหตุผลในการดำเนินชีวิตนี่แหละทำให้สัตว์โลกประเภทมนุษย์โดดเด่นล้าหน้าสัตว์โลกประเภทอื่นในโลกเดียวกันและเป็นใหญ่เป็นประธานของสัตว์โลกประเภทอื่นๆนนนนนสัตว์ตทั้งหลายอื่นพลอยสุขทุกตามมนุษย์ไปด้วยความจริงข้อนี้พอสังเกตเห็นได้ว่าที่ใดมนุษย์มีธรรมที่นั่นสัตว์โลกประเภทอื่นก็พลอยอยู่เย็นเป็นสุขอันหนึ่ง การรวมกลุ่มกันเป็นหมู่ทําให้มนุษย์ผู้มีความสามารถต่างกันนําความสามารถของแต่ละคนออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนแก่ครอบครัวเพื่อการดํารงชีพให้ผาสุกยั่งยืนเมื่อรวมความสามารถเหล่านั้นเข้าด้วยกันก็กลายเป็นความสามารถอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์สร้างสรรค์สังคมให้เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วแต่ในตัวมนุษย์มีทั้งธรรมและอาธรรม นั่นคือมีทั้งความดีและความชั่วความดีช่วยสร้างสรรค์ส่วนความชั่วช่วยทําลายทําลายเกียรติของมนุษย์เองทําลายอารยาธรรมวัฒนธรรมที่มนุษย์ช่วยกันสร้างสรรค์มาเป็นเวลายืดยาวนานให้ย่อยยับลงด้วยน้ามือของมนุษย์เองศาสดาเจ้าลัทธิทั้งหลายผู้มีใจกรุณาหวังความเจริญแก่สังคมมนุษย์ ได้พยายามค้นหาสัสจจะแห่งชีวิตว่าอะไรเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญอะไรเป็นไปเพื่อความเสื่อมเมื่อคนพบแล้วก็แสดงหลักธรรมน้นๆไว้คนทั้งหลายลงปฏิบัติตามดูก็ปรากฏว่ามีผลตามที่ท่านสั่งสอนไว้จริงได้ความประทับใจเรื่มใสยึดถือปฏิบัติสืบสบกันมาหลักธรรมของศาสนาดำรงอยู่ได้ด้วยเหตุนี้ หาใช่เพียงแต่จำกันไว้อย่างเดียวไม่ในที่นี้ขอเสนอหลักธรรมสี่ประการที่เรียกว่าสังหาวัตถุทำเครื่องยึดเดี่ยวน้ำใจกันหลักการสังคมสงเคราะห์ประสานบุคคลไว้ในสามัคคีที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้ปรากฏในคำพีอังคุตรณิกายจจตุ ก, การนิบาทถ้ า, ตาไต่ิปดกเล่มที่21ข้อ32หน้า42 และข้อ256หน้า335จํานวนและความหมาย 1. ทานการแบ่งปันเผื่อแผ่การเสียสละวัตถุสิ่งของการแนะนำพัมสอนชักจูงไปในทางที่ดีการให้อภัยในความผิดพลาดเปิดโอกาสให้กลับตัว 2. ปิยะวาจาหรือเปยยวัชชะ กล่าววาจาน่ารักอ่อนหวานดูดดื่มใจให้ความสุขในการฟังและทำใจให้ชื่นบานกล่าววาจามีประโยชน์ประสานสมัคคีมีเหตุมีผลทำตามแล้วให้เกิดประโยชน์ได้จริง 3. อัตถะจริยาประพฤติประโยชน์ทำสิ่งที่อํานวยประโยชน์แก่ตนแก่คนทั้งหลายช่วยส่งเสริมจริยธรรมให้มั่นคง อันจะส่งประโยชน์แก่คนในสังคมทั่วหน้า 4. สมานตต า, ตาการวางตนดีไม่ขาดไม่เกินพอดีพองามเสมอต้นเสมอปลายไม่ถือตัวไม่ปล่อยตัวร่วมสุขร่วมทุกวางตนเหมาะสมแก่ฐานะภาวะบุคคลเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อมถูกต้องสมควรในทุกกรณีรายละเอียดของสังคหาัตถุ 1. ทาน ทานตามตัวอักษรแปลว่าการให้จำแนกเป็นการให้สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเรียกอมิสถานการให้ธทมคำแนะนำสั่งสอนชักจูงในทางที่ดีเรียกธรรมทานการให้อภัยไม่ถือโทษล่วงเกินของผู้อื่นโดยเฉพาะเมื่อเขารู้สานึกผิดแล้วมาขอโทษเรียกอภัยทาน การงดเว้นไม่เบียดเบียนชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นก็เป็นอภัยท า, านเหมือนกันอามิสทานการให้วัตถุสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภครวมเรียกว่าปัจจัยสี่นั้นเป็นความจำเป็นสำหรับผู้อยู่ร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเป็นการแสดงน้ำใจต่อกันทำให้มีใจผูกพันกันในด้านความสำานึกคุณเป็นสารานิยธรรมข้อหนึ่ง สารานิยธรรมคือสิ่งอันก่อให้เกิดความระลึกถึงซึ่งกันและกันในด้านคุณด้วยเหตุนี้เราจึงนิยมให้ของที่เราเลือกกันในโอกาสต่างๆเช่นขึ้นบ้านใหม่แต่งงานวันเกิดและโอกาสอื่นเท่าที่จะเปิดให้ทำความดีต่อกันได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าการให้ย่อมผูกมิตรหรือไมตรีไว้ได้ซึ่งบารีว่า ถาทางมิตรานี้คันติการให้ด้วยวัตถุประสงค์สามอยา่างการให้วัตถุสิ่งของผู้ให้ย่อมมีวัตถุประสงค์ต่างกันให้เพื่ออนุเคราะห์บ้างให้เพื่อสงเคราะห์บ้างให้เพื่อบูชาคุณบ้างการให้แก่คนลำบากยากจนแร้นแค้นบากหน้าเขามาพึ่งพิงขอความช่วยเหลือการให้แก่ผู้น้อย ช่วยเหลือเขาให้พ้นความลำบากด้วยความกรุณาเรียกว่าให้เพื่ออนุเคราะห์การให้แก่คนเสมอกันเพื่อรักษาหมตรีและน้ำใจกันไว้เป็นการแบ่งปันเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันตามโอกาสที่จะมาถึงเข้าเรียกว่าให้เพื่อสงเคราะห์การให้สิ่งของแก่มารดาบิดาอุปัชย์ยอาจารย์ครูผู้สั่งสอนอบรมนักพรตผู้ประพฤติธรรม ด้วยความสำนึกคุณของท่านที่มีต่อตัวเราเองหรือที่มีต่อโลกต่อสังคมเรียกว่าให้เพื่อบูชาคุณแม้ท่านจะไม่ขาดแคลนก็ควรให้บ้างตามการตามความเหมาะสมเพื่อให้ท่านได้ปลื้มใจและทำหน้าที่ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปผู้คนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วย่อมมีผู้ที่ตนต้องอนุเคราะห์ต้องสงเคราะห์และต้องบูชาคุณอยู่ด้วยกันทุกคน มากบ้างน้อยบ้างสุดแล้วแต่ความผูกพันเกี่ยวข้องของแต่ละคนผู้หวังความเจริญในธรรมควรตั้งใจทำให้สมบูรณ์เท่าที่กำลังความสามารถของตนมีอยู่ทานสามประเภทหรือทายกสามจำพวกหนึ่งทานาทาสะบางทีเรียกว่าทาสทานท่านหมายถึงการให้ของเลวเป็นทานคำว่าเลวนั้น หมายถึงเร็วกว่าที่ตนบริโภคใช้สอยเองที่ท่านเรียก่าสุานเพราะที่บายว่าตกเป็น่าตของความตรนีถึงอย่างไรการให้ของที่เร็วกว่าที่ตนบริโภคใช้สอยเองแก่คนที่กวได้รับเพียงแค่นั้นก็ยังนับว่าดีดีกว่าการไม่ให้อะไรเสียเลยเช่นการให้แก่คนรับใช้ให้แก่คนขอทาน ให้เสื้อผ้าซึ่งตนไม่ใช้แล้วแก่คนยากจนให้อาหารเหลือกินแก่สุนัขเป็นต้นผู้ให้ของดังกล่าวท่านเรียกว่าทานทาธาโสการให้ของที่เขาต้องการจำเป็นแก่เ ข, า, ขาพระเจ้าเห็นว่าไม่ควรจัดเป็นการให้ที่เร็ว 2. อทานสหายบางทีเรียกสหายทาน หมายถึงการให้ของที่เสมอกันอย่างเดียวกันกันกบที่ตนบริโภคใช้สอยตนบริโภคใช้สอยอย่างไรเมื่อถึงคราวจะให้ผู้อื่นก็ให้อย่างนั้นเหมือนการให้แก่ผู้เป็นเพื่อนฝูงผู้ให้ของเช่นั้นท่านเรียกว่าทานะสหายโยทานะสามีบางทีเรียกสามีทานการให้ของที่ดีกว่าตนบริโภคใช้สอยส่วนมาก เมื่อจะให้แก่ผู้ควรเคารพทายกมักให้ของดีเท่าที่ตนจะพอหาได้เช่นของที่นำไปให้มารดาบิดาครูอาจารย์พระสงฆ์หรือนักจท์เพฤฤฤฤื่อประพฤติธรรมอันหนึ่งท่านผู้บริจาคทานด้วยความไม่ตระหนีบริจาคด้วยจา่าเจตนาอย่างแท้จริงท่านเรียกผู้เช่นนั้นว่าทานบดีผู้เป็นใหญ่ในทาน ประเภทของอารมิสทานกล่าวโดยย่อที่สุดท่านจัดทานไว้สองประเภทคือทานที่ให้เจาะจงบุคคลเรียกปาติบุคคลิกานทานที่ให้ไม่เจาะจงเรียกสังฆทานการให้แก่สงหรือให้แก่หมู่คณะคนส่วนมากเข้าใจสังฆทานผิดไปคือไปเข้าใจสังฆทานตามวิธีการได้แก่ จัดเครื่องไทยธรรมให้ครบตามประเพณีนิยมเช่นต้องมีเข้าของอะไรบ้างในการทำสังฆทานน้นแต่ความเป็นจริงแล้วสังฆทานมีความหมายไปในทางให้เจาะจงหรือไม่เจาะจงถ้าให้เจาะจงบุคคลแม้จะจัดเข้าของโมโหลาณอย่างไรก็หาเป็นสังฆทานไม่ตัวอย่างบุคคลผู้หนึ่งต้องการทำสังฆทาน ไปนิมนต์พระเองหรือส่งคนอื่นไปนิมนต์พระแต่เจาะจงว่าพระกอขอคอแม้จะนิมนต์สักร้อยรูปทานนั้นไม่เป็นสังฆทานคงเป็นปาฏิบุคลิกทานถ้าเข้าไปนิมนต์กับเจ้าหน้าที่จัดพระหรือพัตตุทเทศหรือกับพระที่ตนคุ้นเคยว่าต้องการทำบุญที่บ้านหรือที่วัดก็ตามขอนิมนต์พระหนึ่งรูปหรือสองรูป สุดแล้วแต่ต้องการขอให้จัดพราให้ด้วยไม่เจาะจงว่าจะให้เป็นใครทานนั้นเป็นสังฆทานเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยในนี้การทำบุญใส่บาตรตอนเช้าจึงเป็นสังฆทานเต็มร้อยเปอร์เซ็นอันหนึ่งในการทำสังฆทานนั้นท่านสอนให้ทำใจให้ยินดีในบุญกุศลไม่ให้ยินดีในบุคคลผู้รับ ทำใจให้ตรงแน่วแน่ต่อคุณพระรัตนไตรคือพระพุทธพระธรรมและพระริยสงฆ์ทานอย่างนี้แหละมีอ น, นิสงส์มากมีผลมากเพราะเป็นการขัดกล่าวจิตใจของตนไปด้วยพระพุทธเจ้าเคยตรัสกับพระนอนุนว่าปาติบุคคลิกานจะมีผลมากกว่าสังฆทานมิได้เลยไม่ว่ากรณีใดๆตัวอย่างเช่น ถวายทานแกพระพุทธเจ้าเป็นการเจาะจงก็มีอ น, นิสงส์สู้ถวายสังฆทานไม่ได้แต่ต้องเป็นสังฆทานที่ถูกต้องไม่ใช่สังฆทานตามความเข้าใจของคนทั้งหลายหรือสังฆทานตามประเพณีนิยมอีกอย่างหนึ่งถ้าขยายความให้กว้างออกไปตามรูปศัพ์คือสังฆะที่แปลว่าหมู่หรือคณะสังฆทานย่อมหมายถึงการให้แก่ส่วนรวม เมื่อมุ่งถึงประโยชน์แล้วการให้แก่ส่วนรวมย่อมอานวยประโยชน์กว้างกว่าการให้เป็นส่วนตัวผู้ให้จึงได้รับอ น, นิสงฆ์มากไปด้วยถ้าหมู่นั้นเป็นหมู่ที่ดีมีศีลมีธรรมเช่นภริยะด้วยแล้วอ น, นิสง์ก็ย่อมจะเพิ่มพูนขึ้นควรเลือกให้หรือไม่ควรเลือกให้บางคนเข้าใจว่าเมื่อจะทาบุญทำทานแล้วไม่ควรเลือกให้ คือเห็นว่าเมื่อเป็นพระแล้วก็เป็นพระเหมือนกันทั้งนั้นความเห็นนี้ไม่ตรงตามหลักพระพุทธภาสิทธ พ, พระพุทธองค์ตรัสว่าควรเลือกให้หรือวิเจออย่างทานางทาตับพังในที่ที่จะมีผลมากหรือยัติาทินนางมหาพลังความจริงแล้วเป็นพระเหมือนกันก็จริงแต่ก็ไม่เหมือนกันในด้านคุณภาพก็เหมือนคนคนเล่านี่แหละ ซึ่งเป็นคนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันในด้านคุณภาพบางคนดีมากบางคนดีน้อยแม้ในคนธรรมดาเราก็ควรเลือกสงเคราะห์คนที่ควรได้รับการสงเคราะห์ไม่ใช่ให้ตะพฤ้ตะพือไปอันจะเป็นการก่อโทษมากกว่าก่อคุณเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าให้แก่ผู้มีศีลย่อมจะมีผลมากกว่าให้แก่ผู้ไม่มีศีล ให้แก่ผู้มีธรรมย่อมมีผลมากกว่าให้แก่ผู้ไม่มีธรรมเพราะฉะนั้นการให้ทานเจาะจงบุคคลหรือปาติบุคคลิการทานถ้าหวังอนิสงฆ์มากก็ควรเลือกให้แก่คนดีมีศีลธรรมหรือคนที่ควรได้รับการช่วยเหลือถ้าให้แก่หมู่คณะก็ควรเป็นหมู่ที่ดีเช่นเดียวกันมีอีกปัญหาหนึ่งที่คนทั่วไปยังเข้าใจคล้ายเคลื่อนอยู่ คือเรื่องการทำบุญกับการให้ทานคนทั่วไปเข้าใจว่าการทำบุญคือทำกับพระส่วนการให้ทานนั้นคือการให้แก่คนทั่วไปหรือให้แก่คนขอทานความจริงเรื่องนี้ชาวบ้านมาแยกออกเองตามหลักศาสนาท่านหาแยกอย่างนี้ไม่ไม่ว่าให้แก่ใครเรียกว่าทานทั้งหมด เพราะคำว่าทานแปลตรงตัวว่าการให้อยู่แล้วและบุญก็เกิดขึ้นจากการให้นั้นไม่ว่าให้แก่ผู้ใดเมื่อเราทําไปด้วยจิตเมตตาปรารถนาสงเคราะห์อนุเคราะห์หรือบูชาคุณส่วนจะได้บุญมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างเช่นเจตนาของผู้ให้คุณธรรมของผู้รับให้ในการที่เขากําลังต้องการหรือขาดแคลนเป็นต้น การทำของน้อยให้มีผลมากเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับความฉลาดรอบครอบของผู้บำเพ็ญทานคือเลือกให้แก่คนที่ควรให้ในการที่ควรให้และด้วยเจตนาดีของตนและทายาธรรมคือของที่ให้นั้นตรงตามความต้องการหรือสําเร็จประโยชน์แก่ผู้รับด้วยดีมิฉะนั้นจะได้ผลน้อยหรือไม่ได้ผลเลยเข้าทำนองให้แว่นแก่คนตาบอด ให้แหวนแก่คนนิ้วด่วนให้หวีแก่คนไม่มีผมบางคนสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยความไม่เต็มใจเราก็รับการสงเคราะห์นั้นเหมือนกันแต่ความสำนึกคุณมีน้อยเพราะผู้รับเขารู้เหมือนกันว่าผู้ทำทำอย่างเสียไม่ได้ไม่เต็มใจทำพูดสำหรับการทำบุญกับพระก่อนตาราทางพระพุทธศาสนาบอกเราว่า การทำบุญจะให้มีผลมากนั้นต้องประกอบด้วยสัมปทาคุณสี่ประการสัมปทาสี่คือความถึงพร้อมความพร้อมแห่งองค์ประกอบซึ่งจะทำให้ทานที่บริจาคแล้วมีผลยอดเยี่ยม 1. วัตถุสัมปทาความพร้อมแห่งวัตถุในทีน่นี้หมายถึงผู้รับหรือปฏิคาหกหรือทักขินา ย, ยบุคคลเป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยคุณธรรม ท่านมีคุณธรรมสูงมากเท่าใดย่อมทำให้ทานที่บริจาคแล้วมีผลมากขึ้นเท่านั้น 2. ปัจจัยสัมปทาความพร้อมแห่งปัจจัยในที่นี้หมายถึงของที่ทายกนำมาทำบุญหรือทายธรรมนั้นได้มาโดยทางบริสุทธิ์ชอบธรรม 3. เจตนาสัมปทาความพร้อมแห่งเจตนาในที่นี้หมายถึงมีเจตนาดี เจตนาเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์หรือบูชาคุณโดยบริสุทธิ์ใจไม่ได้หวังลาบยศหรือชื่อเสียงมีเจตนาดีทั้งสามการคือก่อนให้กำลังให้หลังจากให้แล้วรักษาเจตนาอันเป็นกุศลไว้ได้นอกจากนี้ยังประกอบด้วยปัญญาในการให้มิใช่ให้ด้วยความเขลา 4. คูณาติเรกะสัมปทาความพร้อมแห่งคุณพิเศษของปฏิคาหก คือผู้รับมีคุณพิเศษท่านระบุไว้ในตำราว่าท้าขีนายบุคคนออกจากนิโรธาสมาบัตดใหม่ๆในตำราทางพุทธศาสนาได้เล่าไว้หลายเรื่องว่าพระสารีบุตรว่าพระมหากรสปะบ้างออกจากนิโรธาสมาบัตดใหม่ๆกำลังหิวพิจารณาหาคนที่ท่านควรจะไปโปรดในวันนั้นเพราะเมื่อท่านไปรับอาหารจากท่านผู้ใดในวันนั้น เขาจะต้องได้สมบัติเป็นอันมากท่านจึงมักไปสงเคราะห์คนจนเพื่อให้เขาได้มีความสุขขึ้นส่วนการทําบุญกับเครืหั่าหรือคนทั่วไปนั้นถ้าจะให้มีผลมากก็นุ่โลมอย่างเดียวกับที่ทําบุญกับพระนั่นเองที่ควรกําหนดเป็นข้อสําคัญอย่างหนึ่งก็คือให้สิ่งที่จำเป็นแก่เขาและในเวลาที่เขาต้องการ น้ำเพียงแก้วเล็กๆ ก, ก็มีความหมายมากสําหรับคนกระหายเงินเพียงห้าบาทสิบบาทก็มีค่ามากสําหรับคนผู้กําลังขัดสนถ้อยคําปลอบประโลมใจเพียงเล็กน้อยมีคุณค่ามากสําหรับคนที่ว้าเวต้องการคําหวานประโลมใจการให้แก่สัตว์เดรัจฉานนั้นถ้าให้ด้วยจิตเมตตาจริงๆไม่ใช่เพราะเหตุอื่นแล้ว พระพุทธองค์ตรัสว่ามีผลมากมีผลไพศาลเหมือนกันไม่ต้องกล่าวถึงการให้กับคนทั่วไปและท่านผู้มีศีลมีธรรมเพราะเหตุไรการทําบุญให้ทานแก่ท่านผู้มีศีลมีธรรมจึงมีผลมากข้อนี้ทรงเปรียบเหมือนการหว่านพืชลงในเนื้อดินที่ดีเมื่อมเมล็ดพืช ด, ดีหว่านลงในเนื้อดินดีและได้น้ําหล่อเลี้ยงตามสมควร พืช น, นั้นย่อมเจริญงอกงามกว่าพืชที่หวานลงในเนื้อดินเลวหรือดินจืดฉันใดการทําบุญทาทานหรือการทําความดีต่อผู้มีคุณธรรมก็ย่อมมีผลมากกว่าการทําแก่ผู้ไร้คุณธรรมฉันนั้นพิจารณาในแง่ธรรมดาสามัญก็พอมองเห็นกล่าวคือคนดีเป็นผู้มีความกะตัญญูกะตะเวที ใครทำความดีให้ก็คิดตอบแทนตามกำลังความสามารถของตนเรียกว่าทำให้ผู้ประกอบกรรมดีได้รับผลของกรรมดีส่วนคนชั่วเมื่อใครทำดีแล้วไม่คิดตอบแทนนอกจากนั้นบางคนยังคิดร้ายทำร้ายต่อท่านผู้มีบุญคุณเสียอีกเรียกว่าทำให้กรรมดีของท่านไม่มีผลหรือบางทีกลายเป็นโทษด้วยเหตุนี้แหละ ท่านจึงว่าทำดีกับคนดีมีผลมากคราวหนึ่งพระเจ้าประสเสนที่โกสลสนทูลถามพระพุทธเจ้าว่าควรทำบุญในที่ใดพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าในที่ที่เลื่อมใสพระเจ้าประสเสนที่โกสลสนทูลถามต่อไปว่าทำบุญในที่ใดจึงจะมีผลมากตรัสตอบว่าถ้าต้องการผลมากก็ต้องทำในท่านผู้มีศีลมีธรรม ถ้าทำในท่านผู้มีมีศีลมีธรรมหามีผลมากเชนั้นไหมในที่อื่นตัดอธิบายขยายความเรื่องนี้ว่านาข้าวมีต้นหญ้าเป็นโทษปลูกข้าวลงในานาที่มีต้นหญ้ามากข้าวย่อมไม่งอกงามเพราะถูกต้นหญ้าเบียดเบียนเรียกว่าประทุษร้ายฉันใดบุคคลทั้งหลายมีราคะโทสะโมหะเป็นโทษเป็นเครื่องประทุษร้าย การทำบุญให้ทานในบุคคลผู้เพียยแปร่ไปด้วยราคะโทสะโมหะย่อมไม่มีผลมากฉันนั้นส่วนการทำบุญให้ทานในท่านผู้ปราศจากราคาโทสะโมหะย่อมได้รับอานิสง์ประมาณมิได้ด้วยเหตุนี้แหละคนทั้งหลายจึงนิยมทำบุญกับพระภิกษุสั ม, มเนรโดยเชื่อว่าท่านเป็นผู้มีคุณธรรมสูงกว่าคนสามัญ ในบรรดาภิสูจสัมเนนด้วยกันพุทธบริษัทก็นิยมทำบุญกับท่านที่มีอายุพรรษามากบวชมานานด้วยเชื่อว่าท่านมีจิตใจสูงกว่าบำเพ็ญบรารมีมามากกว่าเป็นต้นอานิสงค์ของอามิสทานพระพุทธองค์ทรงสแสดงอานิสงค์ของอามิสถานไว้ห้าประการแก่สีหะเสนาบดีเสนาบดีแห่งนครเวสาลีดังนี้ 1. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักที่พอใจของคนเป็นอันมาก 2. คนดีทั้งหลายย่อมพอใจคบหาสมาคมกับเขา 3. ชื่อเสียงอันดีงามย่อมฟุ้งขจรไป 4. เป็นผู้แกล้วกล้าเมื่อเข้าที่ประชุมไม่เก้อเขิน 5. เมื่อสิ้นชีพย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ตามเรื่องว่า เสนาบดีทูลขอให้ทรงแสดงอ น, นิสงค์ของทานที่เห็นได้เองหรือเห็นได้ในปัจจุบันพระพุทธองค์จึงทรงแสดงอ น, นิสงค์ของทานที่เห็นได้ในปัจจุบันสีข้ออีกหนึ่งข้อเป็นผลในสัมปรายภพคือชาติหน้าเมื่อแสดงจบสีหาเสนาบดีทูลว่าสี่ข้อข้างต้นเขาเห็นด้วยตนเองแล้วในปัจจุบันแต่ข้อที่ห้าเขาไม่เห็น แต่เชื่อพระตาคตเจ้าว่าเป็นอย่างนั้นจริงธรรมทานธรรมทานแปลว่าการให้ทมกล่าวคือให้คำแนะนำสั่งสอนอันเป็นประโยชน์ในการดารงชีวิตในการทำจิตใจให้ปลอดโปรง่งสงบสดใสการสั่งสอนศิลปะวิทยาการเป็นต้นเหล่านี้รวมเรียกว่าธรรมทานทั้งสิน้นธรรมทาน มีความสำคัญต่อชีวิตของบุคคลมากเพราะทุกคนจะดีได้ก็โดยอาศัยการได้ยินได้ฟังถ้อยคำพร่ำสอนให้เว้นสิ่งที่ควรเว้นให้ประพฤติกระธทมสิ่งที่ควรประพฤติกระทาอันหนึง่งวิชาสาหรับประกอบอาชีพเลี้ยงตนของทุกๆคนก็มีได้เพราะอาศัยท่านผู้มีใจกรุณาสั่งสอนวิชานั้นๆให้ จึงได้ติดตัวใช้เลี้ยชีวิตไปจนตายและยังเป็นอุปนิสัยติดไปในชาติหน้าอีกวิถีชีวิตของคนจะดำเนินไปอย่างไรย่อมสุดแล้วแต่คำสอนที่เขารู้สึกประทับใจยึดไว้เป็นแนวทางชีวิตและมีที่พลต่อความรู้สึกนึกคิดของเขาอยู่ตลอดเวลาผู้เลื่อมใสในคำสอนที่ดีก็ดำเนินชีวิตไปในทางที่ดี ผู้เลื่อมสายในคําสอนที่เลวก็ดําเนินชีวิตไปในทางเลวเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสเตือนว่าอยาเสพทำเลวหรือบาลีว่าฮีนางทำมังนาเสเวยะแปลว่าอย่าเลื่อมใสศรัทธาซึ่งทำคําสอนที่ผิดหรือลัทธิที่ผิดเพราะจะนําตนไปในทางที่ผิดเมื่อจมลงไปแล้วถอนตนได้ยาก บางคนก็จมอยู่ในลัทธิที่ผิดนั้นจนตายและยังเป็นอุปนิสัยอันเลวร้ายติดตัวไปในชาติหน้าอีกช่างน่ากลัวจริงๆตามทัศนะของพระศาสดามิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดจึงเป็นยอดโทษคือไม่มีโทษอื่นยิ่งกว่าส่วนสำมาทิฏฐิเป็นยอดคุณคนที่ต้องเป็นมิจฉาทิฏฐิไปก็เพราะสายเหตุสองอย่าง คือได้ยินได้ฟังจากคนอื่นหรือประรโทโคสะและไม่ใช้ปัญญาพิจารณาให้รอบครอบหรืออโยนิโสมนสิการส่วนคนที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็เพราะได้ยินได้ฟังจากผู้อื่นในทางที่ถูกต้องและใช้ปัญญาพิจารณาโดยรอบครอบหรือโยนิโสมนสิการจึงเชื่อตามเห็นตามดิ่งลงไปในความเห็นถูกคิดถูกพูดถูก ทำถูกพยายามในทางที่ถูกเลี้ยงชีพในทางที่ถูกที่ดีดําเนินชีวิตถูกดังนั้นการให้คําสอนที่ผิดจึงเหมือนการโปรยยาพิษลงในจิตใจคนยาพิษเะอีกกินทีเดียวแล้วตายหัวนเดียวก็เป็นอันพ้นภัยยาพิษนั้นแต่ยาพิษคือความเห็นผิดหลงในลัทธิที่ผิดนั้น เสพแล้วทำให้ก่อกรรมทำเข็นทั้งแก่ตนและผู้อื่นไปตลอดชีวิตยังเป็นปัใจจัยให้เสพความเห็นผิดอันนั้นติดตัวไปในชาติหน้าชาติต่อๆไปอีกต้องระ ก, กรรมลำบากหมกไหมในอวายทุกติวินิบาทไม่รู้กี่พันกี่หมืน่นกี่แสนชาติส่วนการให้คำสอนอันถูกต้องแก่บุคคล น, นั้นเหมือนการให้ประทีปประจาตนแก่เข้าไว เป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตให้ดำเนินไปในทางที่ถูกนำชีวิตไปสู่ความสุขความเจริญเมื่อยังเวียนไหวาตายเกิดอยู่ในสังสารวัตรก็เป็นผู้ไม่ตกต่าย่อมได้คติที่ดีเป็นสุขคติเมื่อบารมีแก่กล้าแล้วย่อมปลดเปลืองกิเลสได้โดยสิ้นเชิงบรรลุความเย็นสนิทที่เรียกว่านิพพานไม่ต้องเวียนไหวาตายเกิดอันเป็นความทุกข์อีกต่อไป ด้วยเหตุนี้แหละพระพุทธองค์จึงตรัสว่าธรรมทานย่อมชนะทานทั้งปวงรสแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงความสิ้นตัณหาชนะทุกข์ทั้งปวงอภัยทานยังมีทานที่สําคัญอีกประการหนึ่งคืออภัยทานการให้อภัยการไม่ถือโทษในการล่วงเกินของผู้อื่นมีจิตเมตตาปรารถนาประโยชน์แก่เขา ไม่ผูกเวรให่ปองร้ายเปิดโอกาสให้เขาแก้ตัวกลับตัวใหม่การให้อภัยทำให้ผู้ได้รับอภัยตื้นตันใจและพอใจที่จะกลับตัวรู้สึกทราบซึ่งในอาการของผู้ให้อภัยและผู้ให้อภัยเองก็รู้สึกว่าตนเป็นผู้มีใจสูงขึ้นสูงพอที่จะมองเห็นว่าความผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ ท่านมหาตมะคารทีได้เขียนเล่าไว้ในประวัติของท่านว่าการที่ท่านถืออหิงสาประจําชีวิตนั้นสาเหตุสําคัญก็คือเมื่อท่านยังเด็กอยู่ท่านทําความผิดแล้วเขียนจดหมายสารภาพแก่ท่านวีดาบิดาของท่านอ่านจดหมายแล้วน้ําตาไหลแสดงความปลื้มใจที่ลูกสมนึกผิดและให้อภัย เรื่องนี้ฝังใจท่านคารทีตลอดมาทำให้ท่านถือรัธิการให้อภัยแก่ผู้อื่นไม่ถือโทษไม่เบียดเบียนมอบให้แต่เมตตาปราณีแก่คนทั้งหลายท่านเป็นมหาบุรุษชาวอินเดียที่โลกนับถือเป็นที่สองรองจากพระพุทธเจ้าสองปิยะวาจาปิยวาจาแปลว่าวาจาที่น่ารักก่อให้เกิดความดูดดื่มใจ ในทางธรรมหมายถึงวาจาสุภาษิตมีประโยชน์มีเหตุผลที่ทําตามแล้วให้เกิดประโยชน์ได้จริงไม่ใช่วาจาที่พูดหลอกลวงประจบประแจงให้คนรักคนหลงและเจือด้วยโทษวาจาสุภาษิตนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่ามีองค์ประกอบห้าประการคือหนึ่งพูดถูกการเวลาหรือกาเลณภาสิตา 2. พูดคำจริงหรือสัจจาภาสิตา 3. าพูดอ่อนหวานหรือสัรหาภาสิตาสพูดมีประโยชน์หรืออัฏฐสันหิตาภาสิตา 5. พูดด้วยเมตตาจิตหรือเมตตาจิตเตนะภาสิตาต่อไปนี้จะที่บายองค์หแห่งวาจาสุภาษิตพอสมควร 1. พูดถูกการ วาจาบางอย่างดีมีประโยชน์แต่ถ้าผู้พูดพูดผิดกาลเวลาพูดในการที่ไม่ควรพูดวาจานั้นก็ไม่สาเร็จประโยชน์สมประสงค์ตรงกันข้ามอาจก่อให้เกิดโทษเสียอีกเหมือนเสื้อหนาวที่คนเอามาใส่ในหน้าร้อนหรือเวลาที่มีอากาศร้อนจัดย่อมเพิ่มความร้อนขึ้นจะโทษเสื้อหนาวหาได้ไม่ ความจริงเป็นโทษของคนที่ใช้เสื้อไม่ถูกการนั่นเองของบางอย่างดีมีประโยชน์แต่ถ้าคนใช้ไม่ตรงกับการที่ควรใช้ของนั้นก็ไม่อำนวยประโยชน์เท่าที่ควรบางทีจะกลับให้โทษซะอีกตัวอย่างเช่นข้าวปลาอาหารซึ่งจัดว่าเป็นประโยชน์แก่ร่างกายแต่ถ้ารีบกินเมื่อ ย, ยังดิบก็อาจให้โทษแก่ร่างกาย หรือปล่อยไว้ให้ร่วงการไปแล้วจนบูดเน่ากินเข้าไปก็เป็นโทษอีกจึงต้องกินเมื่อสุกซึ่งเป็นการที่ควรกินและถ้าได้กินเมื่อสุกใหม่ๆก็จะดียิ่งขึ้นโบราณท่านจึงว่าให้ตีเหล็กเมื่อร้อนคือคนจะดัดเหล็กให้เป็นรูปใดเข้าเหล็กเผาไฟเมื่อร้อนพอดีจึงตีและดัดให้เป็นรูปโค้งงออย่างไรตามต้องการเรียกว่าตีในการที่ควรตี จะกินผลไม้ให้อร่อยเมื่อมันสุกพอดีเป็นการที่ควรกินดังนั้นการทำอะไรให้ถูกการจึงมีความสําคัญมีใช่น้อยผู้ทำต้องมีปัญญาใคร่ครวนให้ดีการพูดถูกการพูดในการที่ควรพูดนิ่งในการที่ควรนิ่งย่อมก่อให้เกิดประโยชน์เป็นสง่าราศีเป็นความภาคภูมิเด็กนักเรียนบางคนชอบคุยกันเวลาครูกาลังสอน เรียกว่าพูดในการที่ควรนิ่งพ่อครูถามให้ตอบข้อความบางอย่างหรือให้แสดงความคิดเห็นกับนิ่งเฉยแม้มีเรื่องที่ควรจะถามอยู่ในใจเรียกว่านิ่งในการที่ควรพูดไม่ถูกทั้งสองเวลาทางที่ควรปฏิบัติก็คือในฐานะผู้ฟังก็ควรตั้งใจฟังเมื่อฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาดังพระพุทธพจน์ที่ว่า สุดสูสังละพะเตปัญญานอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ทางจิตวิทยาและมนุษยสัมพันธ์อีกด้วยคือเป็นการให้เกียรติแก่ผู้พูดทำให้ผู้พูดเช่นครูมีใจเมตตาเอ็นดูต่อนักเรียนเช่นนั้นเป็นบุญส่วนหนึ่งที่นักเรียนทำได้ในขณะนั่งเรียนหนังสือท่านเรียกว่าธรรมสวนรค์ใมคือบุญที่ได้จากการฟังเรื่องที่ดีมีประโยชน์ นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกหัดตนเองให้เป็นคนสารวมระวังกิริยาวาจา่าอันเป็นมันญาตงามซึ่งจัดเป็นคุณสมบัติสำคัญที่จะนำติดตัวไปภายหน้าไม่รบกวนคนอื่นที่มีความตั้งใจฟังนักเรียนที่ดื้อดึงชอบคุยกันในขณะนั่งฟังครูสอนไม่สนใจเอื้อเฟือต่อคำตักเตือนขอร้องของครูนั้น เป็นการมานั่งสร้างบาปสะสมบาปให้แก่ตนเองทุกชั่วโมงทุกวันนานไปก็จะเป็นผู้ที่เต็มปรีไปด้วยบาปนอกจากนี้ยังจะช่วยทําให้ครูเกิดบาปที่ต้องมีใจเศร้าหมองเช่นโกรธไม่พอใจนักเรียนเช่นนั้นเป็นต้นแทนที่จะไปนั่งเรียนนั่งสอนกลายเป็นไปนั่งสร้างบาปสร้างกรรมให้แก่กันซึ่งเป็นการไม่สมควรเลยเพราะฉะนั้น ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่จึงควรหัดสมรวมตนพูดในการที่ควรพูดนิ่งในการที่ควรนิ่งก็จะเป็นสเสน่ห์แก่ตนน่ารักน่าเอ็นดูน่าเคารพนับถือเป็นที่ชื่นชมของคนทั้งหลายผู้มีโอกาสได้คบหาสมาคมและได้ยินได้ฟังกิตติศัพท์ของผู้เช่นนั้นเป็นตน้นสองพูดคำจริง การพูดคำจริงเป็นลักษณะงามอย่างหนึ่งของสุภาพชนแต่ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาแล้วคำจริงที่ควรพูดนั้นคือคำที่เป็นธรรมและประกอบด้วยประโยชน์ดังเถรพาสิทธิ์ที่พระพุทธองค์ทรงอนุโมทนาว่าสัจเจอัเทจะทมเมจะอหุสันโตปฏิทิตาแปลว่าสัตว์บรุษหรือคนดี ย่อมต้องลงมั่นอยู่ในสัจจะที่เป็นธรรมและมีประโยชน์ดังนี้อธิบายว่าแม้จะเป็นคำจริงก็มิใช่ว่าจะควรพูดเสมอไปบัณฑิตจะพูดวาจาใดาแม้รู้ว่าจริงก็ยังต้องพิจารณาถึงความเป็นธรรมคือความสมควรและพิจารณาถึงประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นเสียก่อนเมื่อเห็นว่าสมควรและเป็นประโยชน์แล้วจึงพูด แม้จะเป็นวาจาจริงแต่เมื่อพูดไปแล้วเป็นโทษแก่ผู้อื่นเช่นทําให้เขาทะเลาะกันหรือทําให้ครอบครัวเขาแตกร้าวกันก็เว้นคําพูดเช่นนั้นเสียศาสตร์บางศาสตร์เช่นวิทยาศาสตร์ตัดสินสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าดีที่จริงคือเป็นเรื่องจริงและเปิดเผยออกมาส่วนศาสนาและจริยธรรมนั้นตัดสินว่าดีที่จริงด้วยมีคุณค่าด้วย ถ้าจริงกับคุณค่าเกิดขัดแย้งกันขึ้นทางศาสนาและจริยธรรมจะยอมให้ทิ้งความจริงถือเอาคุณค่าไว้คือถึงไม่จริงก็พูดได้เมื่อเห็นว่ามีคุณค่าคำพูดเช่นนั้นไม่มีโทษเช่นหมอต้องการปลอบใจคนไข้ให้มีกำลังใจดีซึ่งสำคัญมากในการหายโรคเร็วหมออาจพูดไม่จริงแต่คำของหมอมีคุณค่า นิทานสอนเด็กซึ่งความจริงสอนผู้ใหญ่ก็ได้เช่นนิทานอีศพ็นคติสอนใจใครๆก็รู้ว่าไม่ใช่เรื่องจริงแต่มีคุณค่าในด้านจริยธรรมความรู้สึกนึกคิดอันดีประเทืองปัญญาโลกจึงได้รักษาเรื่องราวเหล่านั้นไว้มิให้สูญที่จริงนิทานอีศบนั้นเป็นการจําลองความจริงในสังคมมนุษย์ในสมัยของอีศบนั่นเอง ไปไว้ในหมู่สัตว์เดรัจฉานแล้วให้สัตว์เดรัจฉานพูดกันแปลว่าเอาสัตว์เป็นตัวละครแสดงความมีอยู่และความเป็นไปจริงๆทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วในสังคมมนุษย์เรื่องชาโดกต่างๆที่แสดงว่าสัตว์พูดกับมนุษย์เช่นช้างเทศนาสอนพระราชาด้วยภาษามนุษย์เป็นต้นนานใครๆก็ย่อมทราบว่า ช้างพูดภาษามนุษย์ไม่ได้แต่ที่คงรักษาเรื่องราวเหล่านั้นไว้ก็ด้วยคำหนึ่งถึงคุณค่าทางจริยธรรมหรือหลักแห่งความประพฤติที่แทรกอยู่ในเรื่องนั้นๆคนทั้งหลายจึงชอบจดจาและเล่าสืบืบกันมาสนุกกับท้องเรื่องและได้ประโยชน์ทางกติธรรมจึงมีคุณค่าควรแก่การรักษาไว้คาเท็จซึ่งตรงกันข้ามกับคาจริงนั้นจะมีโทษมาก ถ้าหากรานประโยชน์ของผู้อื่นมากทำลายชื่อเสียงกีิยศหรือทรัพย์สินของผู้อื่นเช่นเป็นพยานเท็จในศาลทำให้คนติดคุกหรือทำให้เขาเสียทรัพย์สินต้องเสียเกียรติเสียชื่อเสียงเสียราศีของสกุลวงอันหนึ่งคำเท็จซึ่งเป็นไปในทำนองลบหลู่บุญคุณของท่านผู้มีคุณก็มีโทษมากทำให้ตนเสื่อมจากอานาจและวิชาก็ได้ ดังเรื่องมานบผู้มีวิชาเสกมะม่วงมีเรื่องเล่าดังนี้ในอดีตการพระโพธิสัตต์เกิดในตระกูลจันทานในหมู่บ้านคนจันทานคือคนวรณะต่ำที่สุดของสังคมอินเดียแต่เป็นบัณฑิตเฉลียวฉลาดรอบรู้มน่นสาหรับเสกมะม่วงให้สุกได้ตามต้องการวิธีเสกมะม่วงท่านทาดังนี้ ยืนห่างต้นมะม่วงออกไปเจ็ดเก้าร่ายมนเอาน้ำฝายมือหนึ่งสาดต้นมะม่วงทันใดนั้นใบเก่าๆจะหล่นไปใบใหม่งอกออกมาดอกบานแล้วหล่นลงครู่เดียวเท่านั้นต้นมะม่วงจะผลิตผลสุกมีรสอร่อยปานผลไม้ทิพย์พระโพธิสัตว์กินเท่าที่ต้องการแล้วหาบมะม่วงที่เหลือมาสู่เรือนขายมะม่วงเลี้ยงบุตรและพันยา ครั้งนั้นมีพราหมณ์คนหนึ่งขอเรียนมนในสำนักพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ให้เรียนมนแล้วเตือนไว้ว่ามนนี้มีค่ามากท่านอาศัยมนนี้แล้วจักได้ทรัพย์เป็นอันมากแต่เมื่อผู้ใดผู้หนึ่งถามว่าเรียนมนมาจากที่ใดขอให้บอกตามความเป็นจริงอย่าได้ปิดบางรอบเอาไว้ถ้าท่านละอายไม่กล้าบอกความจริง และอ้างเอาผู้อื่นเป็นครูของท่านมนจะเสื่อมพราหมรับคำอย่างดีไหว้พระโพธิสัตว์แล้วเดินทางไปยังกรุงพาราณสีได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระราชานำมาม่วงเสกถวายพระราชาได้รับพระราชาทานทรัพย์เป็นอันมากต่อมาวันหนึ่งพระราชาตรัสถามว่าได้เรียนมนมาจากสานักของผู้ใด พรามนั้นละอายที่จะทูลว่าเรียนมาจากสำนักของคนจันทานคนหนึ่งจึงกราบทูลว่าเรียนมาจากสำนักอาจารย์ที่สาปามวกในนครตักศิลาพอพูดขาดคำมนก็เสื่อมไปทันทีแต่พรามนั้นหารู้ตัวไม่วันต่อมาพระราชาสเสด็จไปยังพระราชอุทยานตัดให้พรามนั้นนำมาม่วงมาถวาย พราหมไร้มนแต่มนเสื่อมเชีล้วมนไม่ปรากฏเลยบะม่วงไม่สุกอย่างที่เคยรู้สึกละอายใจมากถูกพระราชาคาดคันถามหนักเข้าไม่อาจปิดบังอีกต่อไปจึงกราบทูลตามความเป็นจริงว่าได้เรียนมนมาจากสำนักของคนจันทานพระราชาทรงกริ้วมากที่พราหมณ์หนุ่มคนนั้นรอบรูคุณของอาจารย์ และตรัสให้ไล่ออกไปพร้อมด้วยทรงํำชับว่าจงกลับไปหาอาจารย์ทําให้ท่านโปรดปรานพอใจขอเรียนมนใหม่ถ้าได้มนก็จงกลับมาถ้าไม่ได้มนก็อย่า ก, กลับมาอีกเลยพรามนั้นกลับไปหาพระโพธิสัตว์ขอเรียนมนใหม่แต่พระโพธิสัตว์ไม่ยอมให้เรียนอีกแต่เพื่อเอาว่าไปเสิดเถิดไปให้พน้น เราไม่ยอมให้มนแก่คนมักพูดเท็จเช่นท่านไปเสเถิดพรามนั้นเสียใจมากสมสารไปตายในป่าอย่างอนาถา 3. พูดอ่อนหวานคำพูดที่อ่อนหวานทำให้ผู้ฟังฟังแล้วสบายใจรื่นรมใจและดูดดื่มใจมีความสุขใจสบายหูตรงกันข้ามกับคำหยาบซึ่งเป็นทุพพาสิทธ คำอ่อนหวานย่อมพูดออกมาจากใจที่อ่อนโยนมีความรักความเมตตาเป็นมูลฐานทำนองเดียวกับคำหยาบพูดออกมาจากใจที่หยาบเช่นใจโกรธหวังร้ายอาฆาตเคียดแค้นคนที่มีใจอย่างนั้นแม้จะพูดวาจาที่อ่อนหวานท่านก็นถือเป็นคำหยาบเช่นมุ่งร้ายต่อเขาพูดจาดีให้เขากินขนมเจอด้วยยาพิษ วาจาเช่นนั้นเป็นคำหยาบเหมือนขนมหวานที่เจือด้วยยาพิษนั่นเองส่วนผู้หวังดีมีเมตตาปราณีต่อคนที่พูดด้วยแม้จะใช้ภาษาที่รุนแรงเหมือนโกรธเช่นมารดาบิดาครูอาจารย์พูดตําหนิตีเตียนลูกหรือสิทธิ์ของตนเพื่อให้เข้าได้ดีวาจาเช่นนี้ท่านไม่จัดเป็นคําหยาบคําหยาบเช่นคาําด่าคําประชด คำกระทบกระเทียบเปรียบเปรยคำอ่อนหวานตรงกันข้ามกับคำหยาบแต่เป็นวาจาที่ให้กำลังใจให้ความหวังติดอยู่ที่ใจนานดังที่ท่านสุนทรพูดว่าอันอ้อยตาหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายเขาพูดอ่อนหวานดื่มดมใจของเราตั้งเมื่อยี่สิบปีก่อนเดี๋ยวนี้ก็ยังรู้สึกหวานอยู่ พอนึกขึ้นมาแล้วให้เกิดความสุขใจวาจาที่อ่อนหวานสุภาพจึงเป็นวาจาสุภาษิตจัดเป็นปิยะวาจาอย่างหนึ่งคนที่พูดจาอ่อนหวานแม้ใช้คนให้ทํางานหนักคนทํางานก็รู้สึกไม่ค่อยเหนื่อยเพราะได้วาจาที่อ่อนหวานนั่นเองรอเลี้ยงดวงใจเพิ่มกําลังให้ 4. พูดมีประโยชน์คําพูดมีประโยชน์จัดเป็นสําคัญมาก เป็นองค์คุณที่เป็นแกนกลางของปิยะวาจาปราศจากประโยชน์เสียแล้วแม้จะมีองค์อย่างอื่นครบท้วนวาจานั้นก็ด้อยคุณค่าลงคำมีประโยชน์ตรงกันข้ามกับคำเพอร์เจอรคำเพอร์เจอคือคำเหลวไหลไร้สาระฟังแล้วเสียเวลาเปล่าไม่ได้ประโยชน์อันใดคำมีประโยชน์จัดเป็นวาจามีค่ามากเพราะเป็นแนวทางชีวิต เป็นแสงสว่างของการดำเนินชีวิตช่วยระ ง, งับดับทุกข์ช่วยผ่อนคลายความทุกข์บทกลอนของสุนทรผู้ที่ท่านเขียนไว้เป็นร้อยร้อ ย, อยปีมาแล้วแต่ยังมีคนพอใจอ่านพอใจจดจํานั้นนอกจากความแพเราอแล้วยังแฝงเอาถ้อยคำอันมีประโยชน์เป็นคติเตือนใจไว้ด้วยคนจึงชอบและบทกลอนนั้นยั่งยืนตลอดมา คำสอนของนักปราชญ์สมัยเมื่อหลายพันปีมาแล้วเวลานี้ยังอยู่มีคนทั่วโลกช่วยกันจำช่วยกันเผยแพร่ทั้งนี้พระวาจาของท่านมีประโยชน์ปฏิบัติตามแล้วละความทุกข์ให้ความสุขได้จริงดังเช่นพระวาจาของพระพุทธเจ้าเป็นวาจาสุภาษิต ท, ทั้งหมดพระองค์ท่านเองก็ทรงปฏิบัติตามพระวาจาที่ทรงสอนผู้อื่น กล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าคําสอนของท่านออกมาจากผลของการปฏิบัติและการรู้แจ้งเห็นจริงวาจามีประโยชน์จึงเป็นปิยะวาจาอย่างแท้จริงการที่จะทําให้คนพูดมีประโยชน์พูดเป็นธรรมนั้นก็โดยการฝึกฝนหรือฝึกหัดหัดเว้นจากการพูดเพ้อเจอ้อเมื่อเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อได้แล้วเมื่อถึงคราวจําเป็นต้องพูด ย่อมต้องพูดวาจาที่เป็นประโยชน์เป็นธรรมในวินยัยพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระผู้น้อยคือบวชภายหลังเคารพนับถือพระภิกษุผู้บวชก่อนแก่พรรสากว่าแต่ถ้าภิกษุเถระรูปใดพูดไม่เป็นประโยชน์พูดไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินยัยภิกษุผู้อ่อนพรรสาจะไม่แสดงความเคารพก็ได้ไม่ถือเป็นผิดวินยัยเรื่องนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่า ผู้ใหญ่ที่ต้องการได้รับความเคารพนับถือจากผู้น้อยอย่างจริงใจนั้นควรสั่รวมวาจาของตนให้พูดเป็นธรรมเป็นวินยัยพูดเป็นสุภาษิตวาจาเป็นการแสดงถึงภายในของบุคคลว่าได้สะสมอะไรไว้เหมือนคนกินอาหารอย่างใดเมื่อเรอออกมาย่อมมีกลิ่นสิ่งนั้นออกมาคนมีสิ่งใดสะสมอยู่ในใจมาก เมื่อพูดออกมาย่อมอดที่จะแสดงสิ่งนั้นออกมาไม่ได้เพราะคำพูดและดวงตาเป็นเสมือนท่อระบายของจิตใจเมื่อดวงใจใสสะอาดวาจาที่ออกมาก็ใสสะอาดดวงตาแจมา่มใสมีประกายแห่งความสุขเมื่อใจขุนมัววาจาที่ออกมาก็ขุนมัวไม่ชวนดื่มไม่เป็นวาจาเปย์ยะคือชวนให้ดูดดื่มดวงตาก็ขุนมัวหม่นมอง มีแววเศร้าหรือประกายไฟแห่งโทสะสุดแล้วแต่กรณีฉะนั้นผู้ที่ต้องการพูดจาเป็นประโยชน์จึงต้องเริ่มต้นหัดที่ใจเมื่อใจใขร่ประโยชน์หวังประโยชน์แก่ผู้อื่นวาจาที่ออกมาย่อมเป็นประโยชน์ฝึกหัดใจให้มีธรรมอยู่กับธรรมวาจาที่ออกมาก็ย่อมประกอบด้วยธรรมให้เกิดประโยชน์สุขแก่คนทั้งหลายประมาณวิได วาจาไราประโยชน์แม้ตั้งพันไม่มีคุณค่าเท่าวาจาที่ประกอบด้วยประโยชน์เพียงคําเดียวหรือบทเดียวเหมือนก้อนกรวดตั้งพันก้อนหมื่นก้อนก็หามีค่าเท่าเพชรเม็ดเดียวไม่พระพุทธองค์ตรัสกับอภยราชกุมารว่าวาจาจะเป็นที่รักหรือไม่เป็นที่รักของผู้อื่นก็ตามพระองค์มุ่งประโยชน์ เห็นว่าเป็นประโยชน์แล้วเลือกการเวลาตรัสพระวาจานั้นหพูดด้วยจิตเมตตาเมตตาคือความสนิทสนมความปรารถนาสุขแก่ผู้อื่นความหวังดีเมื่อบุคคลพูดด้วยจิตที่เปี่ยมด้วยความหวังดีและปรารถนาประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นคำพูดนั้นย่อมมีอนุภาพรัดตรึงใจเพราะโดยปกติธรรมดาคนเราส่วนมาก มีความสามารถพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือความสามารถในการอ่านใจของผู้พูดว่าเขาพูดด้วยจิตอย่างไรมีความประสงค์อะไรแอบแฝงซ่อนเร้นอยู่ด้วยพูดด้วยความหวังดีหรือหวังร้ายพูดเพื่อประโยชน์ของเราหรือเพื่อประโยชน์ของเขาแม้จะพูดดีอย่างไรถ้าใจคิดคำหนึ่งคำนวณแต่ผลประโยชน์ของตนแล้ว ความรู้สึกอันนั้นย่อมแลบออกมาให้คนรู้สึกและจับได้เสมอเมื่อผู้ฟังรู้ว่าผู้พูดพูดเพื่อประโยชน์ของตนเสียแล้วการที่จะยอมรับเชื่อและยินดีทําตามก็ลดน้อยลงหรืออาจไม่พอใจรับฟังเลยเพราะฉะนั้นควรพูดด้วยจิตเมตตาปราถนาสุขแก่ผู้อื่นแม้จะรุนแรงไปบ้างก็ไม่ระคายหูผู้ฟัง และผู้ฟังจะรู้สึกประทับใจมากกว่าพูดอ่อนหวานแต่ปราศจากความหวังดีการพูดด้วยจิตเมตตาจึงเป็นองคุณอย่างหนึ่งของวาจาสุภาษิตอีกอย่างหนึ่งคือสุภาษิตสูตรขุดธนิกายสุดธนิบาทพระไตรปิฎกเล่มยี่สิบห้าหน้าสี่ร้อยสิบเอ็ดพระพุทธองค์ทรงแสดงวาจาสุภาษิตว่าประกอบด้วยองค์สี่คือหนึ่ง กล่าวแต่วาจาที่ดีไม่กล่าววาจาชั่วสองกล่าวเป็นธรรมไม่กล่าวคำที่ไม่เป็นธรรมสามกล่าววาจาน่ารักไม่กล่าววาจาอันไม่น่ารักสี่กล่าวคําจริงไม่กล่าวคำหลอกแหละรวมความว่าปิยะวาจาก็คือวาจาสุภาษิตการพูดดีพูดถูกการเวลาพูดคําจริงพูดมีประโยชน์พูดอ่อนหวาน และพูดด้วยจิตเมตตาส่วนคำพูดน่ารักพูดเพื่อให้คนอื่นรักให้คนอื่นหลงแต่ขาดลักษณะแห่งวาจาสุภาษิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำหลอกลวงแม้จะฟังดูน่ารักเพียงไรตามที่ผู้พูดประดิษฐ์คิดค้นขึ้นวาจาเช่นนั้นก็ไม่เป็นปิยวาจาเพราะคำพูดนั้นไปทําลายประโยชน์ของผู้ฟัง ผู้กล่าวปียะวาจาซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะดังกล่าวมาย่อมเป็นที่รักที่เคารพยกย่องของคนทั้งหลายจึงเป็นสังคหาวัตถุอย่างหนึ่งเป็นการสร้างสเสน่ห์ให้แก่ตนอย่างถูกต้องมีรากฐานนั่นคือการสร้างสเสน่ห์ด้วยคุณธรรมเป็นการสร้างที่มั่นคงไม่เลื่อนลอยมีเหตุมีผลอธิบายได้และใครๆก็ปฏิบัติได้ถ้ามีความตั้งใจจริง และเห็นประโยชน์ของปิยวาจาด้วยความรู้สึกที่แท้จริง 3. ามอัตตาจริยาการประพฤติประโยชน์ที่แปลอัตตาจริยาว่าการประพฤติประโยชน์นั้นเป็นการแปลตามตวัวอักษรถือเอาความหมายว่าการบำเพ็ญประโยชน์การทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อคนทั้งหลายคนเราเกิดมามีอวัยวะแขนขาเหมือนกัน ใครจะมีค่าตัวมากหรือน้อยเพียงไรจะเป็นคนสูงหรือต่ำอย่างไรก็สุดแล้วแต่เขาทำตัวให้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใดบุคคลผู้บรรลุ ป, ประโยชน์ตนแล้วก็ควรทำประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้างตามกำลังสามารถพูดอีกอย่างหนึ่งเมื่อช่วยตัวเองได้แล้วก็ควรช่วยผู้อื่นด้วยในการดำเนินชีวิตนั้นควรให้ประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นประสานกัน คือให้ได้รับประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายอันที่จริงไม่มีประโยชน์ตนที่ประกอบด้วยธรรมคือถูกต้องอันใดที่ไม่เป็นประโยชน์ผู้อื่นและในธํานองเดียวกันไม่มีประโยชน์ผู้อื่นอันใดที่ถูกต้องจะไม่เป็นประโยชน์ตนด้วยประโยชน์ทั้งสองย่อมอาศัยซึ่งกันและกันดำเนินไปทางดำเนินของประโยชน์ที่สาคัญอย่างหนึ่งก็คือหน้าที่กล่าวคือ ผู้ต้องการทำตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนหรือแก่ผู้อื่นก็ตามหนทางที่จะทำประโยชน์ให้ได้ดีที่สุดก็คือการทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ตนเป็นอะไรอยู่ในฐานะอย่างใดมีหน้าที่อะไรการทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์นั่นแหละคือการทำประโยชน์ตัวอย่างในฐานะเป็นลูกทาหน้าที่ของลูกอย่างดีที่สุดต่อพ่อแม่ ในฐานะเป็นพ่อแม่ทำหน้าที่ของพ่อแม่อย่างดีที่สุดในฐานะเป็นครูอาจารย์เป็นเพื่อนเป็นศาสนิกของศาสนาเป็นพลเมืองของชาติเป็นสามีหรือภรรยาเป็นญาติพี่น้องเป็นนายจ้างหรือเป็นลูกจ้างจะเห็นได้ว่าคนคนเดียวซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องมากมายนั้นการทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ จึงเป็นการทำประโยชน์แก่ผู้อื่นไปด้วยในตัวและการทำประโยชน์แก่ผู้อื่นก็เป็นการส่งเสริมตนเองให้มีฐานะสูงขึ้นดังนั้นประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นจึงยิงอาศัยกันอยู่อย่างแยกกันไม่ออกคนเราเกิดมาแล้วทุกคนต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆในฐานะต่างๆซึ่งมีความผูกพันให้เราต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่เกี่ยวข้องนั้น การที่จะปฏิบัติหน้าที่ทุกๆอย่างที่ตนมีอยู่ให้บริบูรณ์นั้นค่อนข้างจะทำได้ยากเพราะฉะนั้นคนที่ทำหน้าที่ของตนให้บริบูรณ์ได้จึงเป็นบุคคลที่หาได้ยากและเราอาจสรุปลงได้ว่าคนที่ดีที่สุดหรือมีประโยชน์ที่สุดนั้นก็คือคนที่ทำหน้าที่ของตนที่สุดนั่นเองดูจากตัวอย่างจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตเช่นบ้านเรือนหรือเครื่องจักรก็ได้ เครื่องเรือนอันใดทำหน้าที่ของมันดีที่สุดเช่นเสาหรือคานมีหน้าที่ในการรับน้ําหนักถ้ามันรับน้ําหนักได้ดีที่สุดก็ถือว่าเป็นเสาหรือคานที่ดีที่สุดทําประโยชน์ตามหน้าที่ของมันดีที่สุดหลังคามีหน้าที่ในการบังแดดบังฝนถ้ามันบังแดดบังฝนได้ดีที่สุดไม่ทะลุไม่รั่วก็ถือว่ามันเป็นหลังคาที่ดีที่สุดมีประโยชน์ ถ้ามันไม่ทำหน้าที่ของมันหรือทำหน้าที่ได้ไม่ดีเขาก็เรียกว่าหลังคาไม่ดีต้องซ่อมแซมหรือต้องรื้อทิ้งในฐานะที่ไม่มีประโยชน์เครื่องจักรก็เหมือนกันสัมภาระต่างๆคุมกันเข้าเป็นเครื่องจักรตัวใดทำหน้าที่ของมันดีที่สุดเราเรียกว่ามันมีประโยชน์ที่สุดตัวใดทำหน้าที่ไม่ดีเราก็ไม่ชอบใจเครื่องตัวนั้น ตัวใดไม่ทำหน้าที่เลยเจ้าของต้องถอดทิ้งเอาตัวอื่นใส่เข้าแทนอวัยวะในร่างกายของเราก็เหมือนกันส่วนใดที่ทำงานตามหน้าที่ของมันดีที่สุดเราก็เรียกว่าอวัยวะนั้นดีที่สุดตามฐานะของมันเราไม่ต้องการให้มือไปหายใจแทนปอดและจมูกและทำนองเดียวกันเราไม่ต้องการให้จมูกและปอดมาเดินแทนเท้า แต่เราต้องการเพียงว่าอวัยวะส่วนใดมีหน้าที่อย่างไรขอให้มันทำหน้าที่ของมันให้ดีที่สุดเท่านั้นร่างกายของเราก็จะแข็งแรงสมบูรณ์มีสุขภาพอนามัมที่ดีเลิศจะเห็นว่าการบำเพ็ญประโยชน์ก็คือการทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์พระราชามหากัตรที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างไพศาล ก็โดยวิธีการทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจหรือหน้าที่ของพระองค์ตามทศพิตราชธรรมนั่นเองหลักหรือธรรมเพื่อบรรลุประโยชน์ถ พ, พุทธศาสนาแสดงประโยชน์ที่จะพึงบรรลุถึงไว้สามประการคือ 1. ประโยชน์ในปัจจุบันหรือทิฏฐะธรรมยิกาถาประโยชน์ 2. ประโยชน์ภายหน้าหรือในชาติหน้าหรือสัมปรายิกถาประโยชน์ 3. ประโยชน์อย่างยิ่งหรือประโยชน์สูงสุดหรือปรมัตถ a ประโยชน์เพื่อบรรลุถึงประโยชน์ในปัจจุบันทระพุทธเจ้าทรงสแสดงหลักธรรมหรือหลักปฏิบัติไว้4ประการคือ 1. อุทานะสัมปทาความขยันหมั่นเพียรขยันลุกขึ้นประกอบกรณีกิจตามหน้าที่ของตนไม่เกียจคร้านขยันประกอบคุณงามความดี 2. อ, อารักขสัมปทา รู้จักรักษาทรัพย์ที่หามาได้โดยชอบทำซ่อมแซมเครื่องใช้ที่ชำรุดสุดโทรมให้กลับคืนดีเท่าที่จะทำได้รักษาคุณงามความดีที่ทำให้เกิดขึ้นได้แล้วไม่ให้เสื่อม 3. กัลยาณมิตตาความเป็นผู้มีมิสหายดีเว้นการสมาคมคบหาคนผ่านสันดานหยาบอันจะชักนำไปในทางที่ชั่วสสมชีวิตา ความรู้จักเลี้ยงชีวิตตามเหมาะสมแก่กำลังทรัพย์ที่หาได้ไม่ฟุ่มเฟือยและไม่ฟืดเคืองนอกจากหลักสีประการนี้แล้วควรดำเนินชีวิตให้สอดคล้องตามสภาพสังคมให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมมีความตระหนักรู้ว่าสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างไรการยึดหลักเก่าอยู่โดยไม่คานึงไม่ตระหนักรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคม มีแต่จะทำให้เป็นคนล้าหลังไม่ทันการและการดังที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมัพยาวชิริยานวโรรสตรัดไว้ว่าการศึกษานั้นเพิ่มความรู้แก่ผู้เรียนมากกว่าได้พบเห็นตามลำพังตนแต่คนผู้ศึกษาโดยมากเรียนรู้อย่างใดแล้วเทียมทันหรือ ข, ขึ้นหน้าคนทั้งหลายแล้วย่อมถือว่าความรู้อย่างนั้นเป็นดี ติดอยู่ในความรู้อย่างนั้นถืออาความรู้อย่างนั้นเป็นทิฏฐานุคติคือสิ่งที่เอาเป็นอย่างพอใจอยู่ในความรู้เพียงเท่านั้นไม่อาศัยความศึกษานั้นใช้ความคิดของตนเพื่อให้ได้ความรู้อันสูงหรือกว้างขวางกว่านั้นอีกคนพวกใดติดนั่นในการศึกษาอย่างนั้นคนจําพวกนั้นย่ไม่ทันคนจําพวกอื่นผู้อาศัยการศึกษานั้น ใช้ความคิดของตนแล้วย่อมได้ความรู้ที่เยี่ยมกว่าหรือแปลกกว่าควรรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันยึดมั่นอยู่ในธรรมแต่ตามโลกทันเป็นคนทันโลกโดยไม่ต้องทิ้งธรรมฉลาดรอบรู้ในเรื่องความเสื่อมความเจริญและเหตุแห่งความเสื่อมความเจริญมีอุบายรู้จักอุบายหลบเหลี่ยงความเสื่อมดาเนินไปสู่ความเจริญเช่น เว้นอบายามุกต่างๆถอนตนขึ้นจากความเสื่อมโทรมยืนอยู่บนฐานอันมั่นคงแห่งความดีมีความเชื่อมั่นในตนเองว่าจะนำตนไปสู่ความสู่ความเจริญได้แม้จะเพี้ยงพล้้มไปบ้างในการบางคราวอันเป็นธรรมดาของชีวิตก็ไม่ท้อถอยมีกําลังใจในการต่อสู้อุปสรรคฝาฟันไปจนประสบความสำเร็จ เพื่อบรรลุถึงประโยชน์ในภายหน้าหรือชาติหน้าทรงแสดงหลักธรรมหรือหลักปฏิบัติไว้สประการคือหนึ่งศรัทธาสัมปทามีศรัทธาสมบูรณ์เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อเช่นเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตนเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อยังมีเหตุผลไม่งมงาย มีศรัทธามั่นคงไม่คลอนแคลนในคุณความดีไม่ลังเลสงสัยเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสศีลสัมปทามีศีลสมบูรณ์ตามฐานะของตนของตนเว้นการเบียดเบียนผู้อื่นสื่อสัดสุจริตมีความประพฤติสุภาพเรียบร้อยอ่อนโยนเคารพในสิทธิของผู้อื่นโดยชอบทง สาจาค้าสัมปทามีใจเสียสละไม่เห็นแก่ตัวมีใจมุ่งประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตัวหรืออย่างน้อยเห็นประโยชน์ของผู้อื่นเสมอด้วยประโยชน์ของตัวไม่หักรานประโยชน์ของเขาเพื่อประโยชน์ของตัว4ปัญญาสัมปทาสมบูรณ์ด้วยปัญญารู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์มีแสงสว่างในใจ ใจไม่เมื่อด้วยโมหะรู้จักเว้นสิ่งที่ควรเว้นทำสิ่งที่ควรทำฉลาดรอบรู้ว่าอะไรควรทำก่อนอะไรควรทำหลังทำใจได้โปลงได้ในเหตุการณ์ที่ควรปลงไม่ตีโพยตีภายอย่างคนไร้สติปัญญาประคองใจไว้ได้เมื่อมีทุกข์ไม่หลงระเริงเมื่อมีสุขพระพุทธศาสนาแสดงว่ามนุษย์เราไม่ได้เกิดมาเพียงชาติเดียว แต่มีสังสรารวัตคือการเวียนไหวตายเกิดจนกว่าจะสิ้นกิเลสสิ้นกรรมเมื่อจะต้องเกิดอีกก็ควรบำเพ็ญกรณียกิจอันจะอำนวยผลให้มีสุขในชาติหน้าเพื่อมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ตกต่ำลำบากเรียกว่าสอนให้เป็นคนมีสายตายาวมองการไกลไม่เห็นแต่ความสุขความสำเร็จในปัจจุบันเท่านั้นแต่ให้คหํานึงถึงอนาคตอันยาวนานด้วย จึงทรงสอนเรื่องสัมปรายกัตถะคือประโยชน์ในชาติหน้าไว้ด้วยเพื่อบรรลุถึงประโยชน์อย่างยิ่งหรือประโยชน์อันสูงสุดคือนิพพานอันได้แก่การดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกขทรงแสดงอริยมรรคประกอบด้วยองค์8คือหนึ่งสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบมีความเห็นอันถูกต้องอย่างตามเช่นเห็นว่าทำดีย่อมได้รับผลดี ทำชั่วได้รับผลชั่วอย่างสูงคือเห็นอริยสัจสี่ตามความเป็นจริง 2. สัมมาสังกัปปะความดําริชอบตั้งใจไว้ในทางที่ถูก 3. สัมมาวาจาพูดชอบเว้นทุจริตทางวาจาสี่อย่างประพฤติวจีสุจริต4ี่อย่าง 4. สัมมากัมมันตะกระทําชอบเว้นการกระทําในทางที่ผิด 5. สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบเว้นวิฉาชีพทั้งปวงประกอบแต่สัมมาชีพ 6. สัมมาวายามะเพียรชอบเช่นเพียรละความชั่วเพียรทำความดีเพียรรักษาความดีให้คงอยู่และให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป 7. สัมมาสติระลึกชอบมีสติระลึกในทางที่จะให้จิตเจริญมั่นคงสะอาดผ่องใส และว่องไวด้วยสติปัญญาเช่นระลึกอยู่ในสติปัฏฐานทั้งสี่คือกายเวทนาจิตธรรมอันพระองค์ทรงยกย่องว่าเป็นทางสายเอกอันจะนำสัตว์ผู้ปฏิบัติให้ร่วงพ้นทุกโศกเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย 8. สัมมาส ม, มาธิส ม, มาธิชอบคือมีใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในอารมณ์อันบริสุทธิ์ ทำให้ใจมีกำลังต่อต้านกิเลสได้ดีเป็นบาดฐานให้จิตใช้ปัญญาได้โดยสะดวกในขั้นธรรมดาสามัญคนที่จิตสงบย่อมสะดวกในการใช้ปัญญาประกอบกิจการต่างๆในขั้นสูงขึ้นไปคนที่จิตตั้งมั่นอยู่ในฌานย่อมสะดวกในการอาศัยฌานนั้นเป็นบารฐานให้วิปัสสนาฟุ้งโผลงทำลายกิเลสให้สิ้นไปหรืออ่อนกำลังลง มรรคมีองค์แปดนี้เป็นวิถีชีวิตอันยอดเยี่ยมใครดำเนินตามได้ย่อมได้พบกับความประเสริฐเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นชีวิตแบบคารวาสหรือชีวิตแบบสมณะจะต่างกันบ้างก็เพียงแต่ความเข้มข้นหรือความเจือจางขององค์มรรคเท่านั้นบรรดาทางทั้งหลายอริยมรรคมีองค์แปดประเสริฐที่สุดบรรดาบททั้งหลายบทสี่คืออริยศสตร์สี่ประเสริฐที่สุด บรรดาธรรมทั้งหลายวิราคาคือนิพพานความปราศจากราคะประเสริฐที่สุดบรรดาสัตว์สองเท้าทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีจักสูุทั้งห้าประเสริฐที่สุดทางนี้คือมักมีองค์แปดเท่านั้นหาใช่ทางอื่นไม่ที่เป็นไปเพื่อความบริกบูชาแห่งญาณทัศนะท่านทั้งหลายจงตั้งใจดาเนินตามทางนี้เถิด จะทำให้มารและเสนามารหลงคือตามไม่พบเพราะไม่ใช่ทางเดือนของมารเมื่อท่านทั้งหลายดําเดินตามทางนี้แล้วจกทําทุกข์ให้สิ้นสุดได้เราได้บอกทางเพื่อ น, นิพพานไว้แล้วความเพียรสําหรับเผาบาตท่านทั้งหลายต้องทําเองตถาคตเป็นเพียงผู้บอกเท่านั้นผู้มีฌานคือเพ่งเพินิษ ด, ด้วยดีปฏิบัติตามทางนี้แล้วย่อมพ้นจากเครื่องผูกของมาร รวมความว่าอัตตาจริยานั้นคือการประพฤติตนให้เป็นประโยชน์หรือการบำเพ็ญประโยชน์ทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นให้ได้รับประโยชน์ทั้งสามคือประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าและประโยชน์สูงสุดคือมรรคผลนิพพานอันเป็นการพ้นจากทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดโดยประการทั้งปวงคนที่ดีที่สุดที่โลกยกย่องมากที่สุด ก็คือคนที่มีประโยชน์ที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงควรทาตนให้เป็นคนมีประโยชน์สสมานัตตาคาสมานัตตาแปลได้หลายไนยะและมีความหมายดีๆทั้งนั้นเช่นความไม่ถือตัวคือไม่ยิงทนงตนการวางตนเหมาะสมแก่ฐานะความเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายความเป็นผู้เสมอกันในสุขและทุกข์ คือร่วมสุขร่วมทุกขการประพฤติตนให้เหมาะสมแก่ภาวะบุคคลและเหตุการณ์การประพฤติได้ดังนี้เป็นข้อหนึ่งที่เป็นเหตุยึดเหนี่ยวน้ําใจกันต่อไปนี้จะได้ขยายความพอสมควรหนึ่งความไม่ถือตัวไม่หยิ่งทะนงตนไม่กระด้างอวดเก่งแต่เป็นคนสุภาพอ่อนโยนทําให้น่ารักน่าเคารพนับถือคนบางคนมีมานะจัด คือถือตัวจัดกระด้างขึ้นเพราะปรารบชาติสกุลบ้างซับบ้างยศบ้างความมีชื่อเสียงบ้างแล้วดูหมิ่นผู้อื่นการดูหมิ่นผู้อื่นด้วยกริยาหรือวาจาก็ตามเป็นการสร้างความเจ็บใจให้แก่ผู้ได้รับทำให้เขาเกลียดชังไม่เป็นปลายเพื่อการผูกมิตรดังเรื่องของชาวสักะยะมีท้าวมหานามเป็นต้นที่ดูหมิ่นเจ้าชายวิทูธภะ จนถูกฆ่าเสียเป็นอันมากความถือตัวทน o n ตนเป็นกิเลสร้ายอย่างหนึ่งที่คอยบั่นทอนความน่ารักในตัวคนและเป็นเหตุแห่งทุกข์ในใจของบุคคลผู้นั้นเองเหมือนแบกเอาของหนักไว้วางไม่ลงปรงไม่ได้ความทนงตนยังเป็นสาเหตุแห่งอาทยากรรมมากมายเช่นเพียงแต่รู้สึกว่า ฝ่ายหนึ่งพูดจาหรือมีกริยาท่าทางในเชิงลบเหลี่ยมเท่านั้นก็อาจยิงหรือแทงเขาถึงตายหรืออาจผูกใจเจ็บโกรธันไปจนตายก็ได้ทั้งนี้ก็เพราะผู้ลบเหลี่ยมนั้นไปทําลายปมเขืองของเขาการพยายามรักษาปมเขืองเอาไว้นั้นเป็นภาระอันหนักยิ่งนักอย่างหนึ่งการทําลายปมเขืองหรืออสมิมานาะเสได้จึงเป็นความสุขอย่างยิ่ง เป็นความสุขทั้งตนเองที่ไม่ต้องแบกเอาทิฏฐิมานะไว้และเป็นความสุขแก่ผู้อื่นที่ไม่ต้องถูกเขี่ยวงาแห่งอสมิมานะทิมแทงขบกัดเอาคนที่ทะเลาะวิวาทกันนั้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะฝ่ายหนึ่งไปลบเหลี่ยมหรือปมเขื่องของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งพยายามรักษาเหลี่ยมของตนไว้ให้มากที่สุดอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะผลประโยชน์ขัดกันอันเป็นเรื่องการ กล่าวอย่างสั้นก็คือทะเลาะกันเพราะเรื่องทิฏฐิและเรื่องการ 2. การวางตนเหมาะสมแก่ฐานะคือเมื่อสำรวจตนเองเรียบร้อยแล้วว่าตนอยู่ในฐานะอย่างไรก็วางตนไว้ในฐานะอย่างนั้นเช่นมารดาบิดาครูอาจารย์บุตรธิดาหรือสิทธิการวางตนผิดฐานะมีแต่จะก่อความยุ่งเหยิงแตกร้าไม่เป็นไปเพื่อความสมคี ส่วนคนที่วางตนเหมาะสมแก่ฐานะทำให้ดูงามน่ากราบไวหวน่าบูชาน่าเคารพนับถือหรือน่ารักใคร่ตามฐานะของตนของตนพระพุทธรูปนั้นวางอยู่ที่ใดก็เป็นพระพุทธรูปอยู่นั่นเองแต่ถ้าได้วางไว้ในที่อันสมควรก็ทำให้ดูสง่างามและน่ากราบไหวยิ่งขึ้น 3. ความเป็นผู้เสมอต้นเสมอปลาย คุณข้อนี้หมายถึงความเป็นคนสม่ำเสมอประพฤติตนสม่ำเสมอเคยดีกับเขาอย่างไรก็อย่างนั้นเคยเป็นนักเรียนร่วมรุ่นกันมาจบแล้วแยกย้ายกันไปทำงานตามความถนัดบางคนอาจไปรับราชการมียศศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่สูงบางคนอาจไปประกอบการงานส่วนตัวไม่มียศศักดินำรงตนเพียงพอครองชีพอยู่ได้โดยไม่เดือดร้อน บางคนอาจถึงลำบากยากจนผู้มีสมานตาตาย่อมแสดงความสนิทสนมคุ้นเคยอย่างเดิมแต่ทั้งนี้ต้องเริ่มต้นจากผู้มียศศักก์ก่อนมิฉะนั้นผู้ไม่มียศศักย่อมเกรงใจไม่กล้าตีสนิทผู้มีปัญญาย่อมมองเห็นว่ามิตรที่ดำรงอยู่ในมิตรธรรมนั้นไม่ต่ำต้อยเลยกล่าวอีกทีหนึ่งว่าไม่มีความต่ำต้อยสำหรับมิตร ผู้ดมลงอยู่ในมิตรธรรมนิทานเรื่องหนูกับราชสีซึ่งเป็นมิตรกันและช่วยเหลือกันได้นั้นน่าจะเป็นคติอันดีสําหรับคนใหญ่คนโตที่จะดําเนินตามและไม่รังเกียจที่จะเป็นมิตรกับคนซึ่งมีฐานะต่ำกว่าตน 4. ความร่วมสุขร่วมทุกขุณข้อนี้หมายถึงแสดงความยินดีปรีดาเมื่อเขาได้สุขไมริษยาและมีใจกรุณาคิดจะช่วยพ้นทุก เมื่อเขาได้ทุกบันเทิงใจร่วมกันเมื่อประสบความสำเร็จและไม่ทอดทิ้งยามวิบัติมิตรในยามทุกข์ย่อมเป็นมิตรที่แท้จริงเคยเห็นนักการเมืองที่ยามรุ่งเรืองก็มีบริวารเบาพร่นอบน้อมล้อมหน้าล้อมหลังออกปากอะไรก็ได้ดังประสงค์แต่พอหมดอำนาจลงอย่าว่าแต่เพียงออกปากเปลยเปลยเลยแม้ไปขอร้องอ้อนวอนเขา เพื่อให้ช่วยขจัดปัดเป่าทุกร้อนก็หาคนยินดีช่วยเหลือได้ยากยิ่งถ้าทำผิดไว้อันเป็นเหตุให้ถูกเนรเทศไปอยู่นอกบ้านนอกเมืองของตนด้วยแล้วก็เห็นมีแต่พัญญาเท่านั้นที่ติดสอยห้อยตามไปทุกขนทุกแห่งมิตรในยามทุกจึงหาได้ยากจริงๆใครประพฤติตนเป็นคนร่วมทุกข์ของผู้อื่นย่อมได้รับความรักจากผู้นั้นเป็นอันมากเป็นวงคล้องใจอันสาคัญ หาประพฤติตนเหมาะสมแก่ภาวะบุคคลและเหตุการณ์ข้อว่าประพฤติตนเหมาะสมแก่ภาวะคือความเป็นของตนนั้นได้กล่าวแล้วในข้อว่าวางตนเหมาะสมแก่ฐานะเพราะมีความหมายคล้ายคลึงกันคือตนเป็นอย่างไรอยู่ในฐานะใดก็วางตนเหมาะสมอย่างนั้นส่วนข้อว่าเหมาะแก่บุคคลและเหตุการณ์นั้นจะอธิบายต่อไป การวางตนให้เหมาะสมแก่บุคคลจัดเป็นสำคัญอย่างหนึ่งไม่เป็นคนบุมบามไม่เป็นคนไม่มีต้นมีปลายแต่เป็นคนรู้จักที่ต่าที่สูงรู้ว่าคนใดควรประพฤติอ่อนน้อมคือประพฤติให้พอดีอย่างไรก็ทำอย่างนั้นไม่มากไม่น้อยไม่ขาดไม่เกินไม่เป็นคนล้นและไม่เป็นคนขาดที่ว่าวางตนให้เหมาะสมแก่เหตุการณ์นั้นคือมีปัญญา รู้ว่าเหตุการณ์ใดอยู่ในสภาพอย่างไรได้เปลี่ยนไปแล้วอย่างไรควรปรับตนอย่างไรที่จะสอดคล้องกับสถานการณ์นั้นๆอย่างที่สุภาสิทธิ์ท่านเตือนไว้ว่าน้ำเชี่ยวอย่าเรือไปขวางอย่าหักด้ามพ้าด้วยเขาอย่าเอามีดไปกรีดหินอย่าเอาไข่ไปทุบกับหินเป็นต้นล้วนต่สอนให้ประพฤติตนให้เหมาะแก่สถานการณ์ทั้งสิน้น เมื่อ น, น้ํากําลังเชี่ยวใครเอาเรือไปขวางเรือก็ล่มคนหักด้ามพล้าด้วยเขา่าด้ามพล้าไม่หักแต่เข่าจะแตกหรือถลอกคนเอามีดไปกรีดหินหมีดก็เสียเองคนเอาไข่ไปทุบหินด้วยหวังว่าจะให้หินแตกแต่ไข่ต้องแตกเสเองอย่างแน่นอนนี่เป็นคําเปรียบเทียบให้คนใช้ปัญญาพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆและปฏิบัติตนให้เหมาะสมแก่เหตุการณ์ คำทำนองสอนให้ทำก็มีเช่นให้ตีเหล็กเมื่อร้อนแปลว่าให้รีบทำการงานเมื่อถึงการละอันควรเพราะพอเหล็กเย็นเสียแล้วตีไม่ได้น้าขึ้นให้รีบตักเพราะมันตักได้ง่ายแปลว่าเมื่อเห็นโอกาสแล้วรีบทำเสียปล่อยให้โอกาสล่วงเลยไปแล้วทำลำบากดังนี้เป็นต้น เป็นการสอนให้ทำตนให้เหมาะสมแก่สถานการณ์หรือเหตุการณ์และโอกาสอันควรจะทำกิจนั้นๆสรุปความได้กล่าวรายละเอียดแห่งสังหาวัตถุคือทำเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจหรือเครื่องประสานสมรคีสี่ประการมาพอสมควรแล้วจึงขอสรุปความตามนัยยะแห่งสังหาวัตถุขถาว่าทำสี่ประการ คือทานปียวาจาอัตจาริยาและสมานัตานี้เป็นธรรมเครื่องสงเคราะห์ในโลกเปรียบเหมือนลิ่มสลักของรถที่เชื่อมโยงส่วนต่างๆของรถไว้ด้วยกันแล้วแล่นไปได้ถ้าธรรมเครื่องสงเคราะห์เหล่านี้ไม่มีแล้วมารดาบิดาก็ย่อมไม่ได้รับความนับถือและการบูชาจากบุตรแต่เพราะเหตุที่สังฆาวัตถุเหล่านี้มีอยู่ และบัณดิตทั้งหลายได้เพ่งพิจารณาประพฤติตามอยู่จึงได้บรรลุคุณอันยิ่งใหญ่และเป็นผู้ควรได้รับการสรรเสริญ